ต้องทำกันตอนเช้าเพื่อประกอบกับการปฏิบัติที่เรากาลังทำอยู่ในเวลานี้หรือกับชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตประจำวันชีวิตของเราก็มีสองส่วน ดีใีกายกับใจก็ต้องดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลกายไม่ดูแลใจปล่อยปะละเลยกายก็สุกสนใจก็สุกสนปัญหาก็จะตามมาเป็นเจ้าปัญหาตั้งแต่เกิดจนตายก็งีหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากวายต่อ ตัวเองตัวสังคมตัวโลกก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยเราคนหนึ่งแหละเป็นตัวที่สร้างมาหายต่อสัพพจิงมักงหลายเราอยู่ในโลกนี่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวอยู่กับดิ่นฟ้าอากาศอยู่กับ สัตว์โลกทั้งหลายธรรมาชาติทั้งหลายเมื่อนเข้าไปดูป่ามหาวันผู้หลงวางแผนเทียป้องกันไปไม่ป่าป้องกันหรือพื้นฟูป่าแล้น้ำลำะเทาเกิดเ <c oughs> สื่อมโทรมไปทั้งหมด ดินน้ำป่าไม้กำลังเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายด้วยฝีมือของคนเราวันาเราจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิงเรลานี้ได้ก็ต้องทุกคนหันมามองตน มันมาวังตนเองมาดูแลตัวเองให้ไม่เกิดมีโทษมีพิษมีภัยก็คือวางปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมาดูกายดูใจของตนเองอย่าให้มันเล็ดลอดไปจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ เป็นหน้ารอบของรู้สึกตัวในเป็นแต่ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นทั้งบุญกุศลละชั่วทำดีทำกิจให้บริจุดของรู้สึกตัวเนีเป็น ที่เกิดของโพธิคือพุทธศาสนาเราอย่าไปเอาเพียงสำนโนครัวที่เบียดบ้านมาเป็นแถวพุทธเฉยๆการที่จะละความชั่วทำความวดีทำกีดให้บริสุทธิ์ต้องมาตั้งโต๊ะจากความโลดจึกตัวเหน่ จึงจะเกิดพุท ธ, ธะขึ้นมานำลายนำจิตใจของเราให้เป็นพุท ธ, ธะถึงศีลถึงธรรมถึงมรรคถึงผลได้เรามารักษาศีลเรามาสร้างสมาธิเรามาสร้างปัญญาอันเป็นจิต ข, ขาและธรรมเป็นเครื่องเลี่งชีวิตของเราดังที่เราสวด กาและทาเป็นคือเลือชีวิตชีวิตของเราก็มีสองส่วนส่วนกายส่วนหนึ่งส่วนจิตใจในส่วนหนึ่งส่วนกายก็อาหารด้วยกับวาเลกลระรางนั้นอาหารคือคำข้าวที่เกินลงไปเพื่อมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตมีกำลังมังชา อาหารอีกทานหนึ่งคือหารฐานใจคือธรรมะศึกษาและธรรมให้มันเจริญทั้งสองส่วนอย่าอ้วนอย่าใหญ่แต่เพราะทางร่างกายเนให้มันร้วนใหญ่ทั้งจิตใจด้วยเจริญทางจิตใจด้วยเรยอว่าต้องให้อาหาร ในชีวิตของเราที่เป็นนามธรรมนามธรรมคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมคืออารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเนี่ยทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายอาหารทางร่างกายก็บวิญญากับอาหารนั่นคือคำเข้าวนะ ก็ต้องแน่นอนคือเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่เราจะเกิดมาเจ่มาเจ็บ ม, มาตายอยู่เท่านั้นชีวิตของเรามมสภาพธรรมไม่อารมณ์งามทานถึงมรรคถึงผลพ้นจากการเกิดเจ็เจ็บตายโน่นจึงจะคุ้มว่าเราเกิดมาเพื่อการนี้ จริงๆนะถ้าเราเข้าถึงร้มเราจะรู้ว่าโอ้ที่เกิดมาเนี่เพื่ออันนี้ที่พ่อแม่เราให้เราให้รูปให้น้ำเนี่เกิดมาเพื่อการได้โดยตรงไปใช่ไปใช่เพื่อจะต้องอมเพื่อจะมาให้มีฐานะมีครอบครัวมีเป็นคนดี เท่านั้นต้องถึงมรรคถึงบทเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตของสัตว์โลกของคนเราแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็ประกาศป้าจนมาถึงบันนี้ให้มันเป็นจริงเป็นจางสักทีเถอะพวกเราในยุคนี้ในสมัยนี้ มันพิสูจน์ได้แล้วความสอนพระพุทธเจ้าเดเป็นวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัตังอยู่กับเราพอบแล้วแล้วเราก็ไม่เปลี่ยวเดียวดายไม่เพื่อนมีมิตรมีสถาบัน มีพัะพาลามีพระสงฆ์เจ้ามีคำสั่งสอนสมบูรณ์แบบในประเทศไทยเรามาเถอะบางจาัไหนัดก็ได้มาปฏิบัติธรรมแหละนะนะปฏิบัติธรรมก็คือนี่แหละเจริญสตินี่แหละตั้งต้นตรงนี้ท่ามกลางตรกดีที่สุดตัวที่นี่ จากความรู้สึกตัวเนี่ยเอามาท่องสาตยายกับกายกับใจเราให้มันได้ติดกันเดี๋ยวนี่กายเรามันติดความหลงใจเราก็ติดความหลงติดความสุกติดความทุกข์ติดความรักความชังติดความไม่ตกกลงบนไปน่น ไปทางโน้นไปทางภาระไปทางปัญหาไม่ได้ติดสภาวะธรรมคือกับบางถาดเ ค, ควขมรู้สึกตัวเห็นไหมเวลาเรามาสร้างสติความหลงเอาไปบ้างเพราะมันเคยมาแล้ว มันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลงเป็นดงเราเข้าพกเข้าดงมาดงมันคืออะไรคือรูปคือรสคือกลิ่นคือเสียงคือตาคือหูคือจมกูกเล่นกายใจมันอยู่ในดงมันมีอวิชชาทำให้เราไมา่รู้ของจริง แล้วก็อยู่ในสภาพเพียนนั้นพอเรา ม, มาเจริญสติมันจะเห็นเห็นท่้นอะไรเห็นอะไรที่มันหลงอะไรที่มันหลงเกิดจากกายจากใจเหล่านี่มีมากเหลือเกินตาเขาจะได้หลงหูก็ชวนได้หลงโว้ดีนกายใจมันปวดอย่างที่เรามาทําเนี่ยพระพุทธเจ้า เก้าแรกด่านแรกเก้าครั้งแรกกายานุปัชนามีสติดูกายเอา้าเมื่อดูไปเอา้ากกายมันเกิดเวทนานุปัจชนาความปวดความเมื่อยความหลอนความหนาว เราก็จิตใจก็เกิดเปรตสถนานรูป จ, จรราความสุขความทุกข์เมื่อกายเกิดเวทนาปวดเมื่อยใจก็เวทนาไปด้วยเป็นพพเป็นชาติไปในรูปใจกายในจิตในกายของเราหลงไปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาคบชาติอยู่ในเวทนา มากมายไม่เกิดแตงก็เอาวิชาพาให้เกิ ด, ดีเป็นภพเป็นชาติเกิดรักเกิดชังเกิดกิเลสตัณหาความโลกความโกรธความหลงปงุงแจงไปเป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับว่นหนึ่งไม่จีภพจีชาติดับไม่ส่วน มันเกิดดับอยู่ที่กายที่ใหญ่เราเนี่ยเราจึะมาเห็นมาดูมามีสติมามีสติคุมกําเนิดของการเกิดเหล่านี้น้อยๆไปก่อนคุมได้บ้างไม่ใช่ไปคุมเหมือนกับาาครวญจารจบคุมกําเนิดของ อาการเกิดดับเหล่านี้คือรู้จักตัวอะไรก็ตามที่เกิดกับกายกับใจเราก็รู้จักตัวไปเรื่อยๆรู้จักตัวไปเรื่อยๆจนความรู้จักตัวมันติดอยู่ในกาย ใ, ใจของเราเหมือนนายถาวานบานเข้าประตูบ้านอะไรเข้าออกต้องผ่านตรงนี้ผ่านสติ สามัญญยะมันชีกขึ้นมาก็รู้มันเคลื่อนไหวก็รู้นี่ทวานบานทวานมานผู้คุ้มครองโลกโลกกบาลคุ้มครองโลกโลกคือเกิดจากสังขารและโลกคกอกลากใจของเราที่มันปกปันแสงรู้สึกตัวรู้สึกตัวไป เราไม่ต้องไปมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มีแต่ธรรมอาวุธธรรมอาวุธภาพนั่นรู้สึกตัวรู้สึกเธอรู้สึกตัวอถ้าทุกคนมาตั้งต้นเตะใครจะคิดอะไรขนาดรู้สึกตัวเขาก็รักษาเขาแล้วเมื่อเขารักษากายว่าจาใจเข้าไปเฉิดเป็น ก้มขอบโลกได้ไม่มีปัญหาไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีตำรวจทหารก็ได้ถ้าเราไปรู้สึกตัวมีสติคอยดอูไม่ให้กายไม่ให้จิตใจในี่มันเกิดภาษาแจ่ตัวเองเมื่อเองไม่มีปัญหาแล้วคนอื่นก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่ต้องไปวางแนวทางกัน พืชผู้ป่าผู้หลงไม่ใช่จะไปลงทุนผู้ป่าแล้วบเดียวบทแรงหลวงพ่อจะวปู่ก่าว่ากรเพื่อนหมูไม่เต๋อยหมดเดี่ยวหมดแรงจ น, จนเท่าจนแจกหมดเงินหมดทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแก้ไขทางภราชาติจริงแวดล้อม อาจารย์ภัยสารพาเดินธรรมยะตาแต่ว่าอนั่งรถติดเครื่องขยายผ่านได้หมู่บ้านต่างๆให้ดูรอบข้างเราสมัยสามสิบปีก่อนรอบรูปน้ำลำมะชาวนี่แต่ป่าไม้เขียวแต่ตุ ว, วันนี้ภูเขาหัวล้นป่าไม้ร้องไห้ เย็นไหมป่าไม้ร้องให้แม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นฝีมือของใครมาช่วยกันเนี่ยป่าไม้ร้องให้เพราะอะไรเพราะไฟไหม้ป่าแม่น้ำล้มป่วยเพราะอะไรเพราะขีดจุก ข, ขีดจาใช้สารเคมีใชสารพิษใครเป็นคนรับ เขามนุษย์นี่แหละแผ่นดินเว็นอันประภัสเดี๋ยวนี้แค่ยาเะไนเนี่ยกรมอกโซนสปาร์กอะไรต่างๆยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหยีดลงไปดินตายหมดเขาจะมใหญ้ามีในแผ่นดินถ้าหญ้าไม่เกิดในแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้เขาจะเอาถึงประ มนุษย์ทุกวันน่ไม่ใช่มนุษย์คนทุกวัแนแต่ยรากเกิดขึ้นมาได้ปราบเขาปราบอ่าื่องบางก็เป็นผลกระทบถึงเราเากิดโรคขี้หนูไข่ขี้หนูไข่พิษเอามือจุ่มลงไปในน้ำไม่ได้เวลาไปทำาไรสงสวนต้องเอาหน้ามไปเย็นด้วยไม่เหมือนสมัยโบ ร, บราณ เพ <c oughs> าอะไรเพราะผีมือของเราเราจะไปทำนั้นไม่รูอ้อย่างวัดป่าสูตโตเราลงทุนห้วยลำเนี่ยมันไหลมาจากโน้นจากไรชาวบ้านไหลออกมาไหลลงมาไห ล, ลม า, ลลมาแต่ก่อนเราก็อาบน้ำใช้น้ำอันนี้ก็มาลงทุนใหม่เปลี่ยนทางน้ำขุดสะฝาย ให้น้ำป่าไหลออกเวรอ่ อ, อนอวัดไป น, นั่นไม่ให้เข้าสัตลงทุนเป็นร้านอ่าเวลาน้าฝนตกไปมันไหลมาเลยบัวสะสะที่น้าป่าไหลมาเลยไม่มีอะไรไเลยตายไปหมดเลยตายก็ไม่มีนะพวกเราก็ปลอดภยัยมากมีน้าที่น้าในวัด น, นี่ ไหลลงไปในสารไม่ไหลเข้าอีกไหลซึมลงไปเวลาฝนตกเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้ำไหลเพราะป่าดูดซึมไม่ดูดซึมไม่แต่ถ้ามีทางก็สํารวมสํารวมบางวันอย่าให้มันไหลเติบไปอย่างทางขึน้นเขาเนะ่ยพยายามมาให้มีทางเพื่อป้องกันน้ำไหล นะถ้าน้ำไหลแล้วก็ผันน้ำให้มันลงน้อยๆกระจายจไปให้มันซึมลงไปถ้ามันไหลหลากมามาเยอะท่วมเมล็ดได้ก็ท่วมประเทชาติบ้านเมืองทั้งแรงทั้งท่วมพีมือของใครของคนเราจะเลยถ้าไม่เกิดปัญหาทุกวันนี้นะ เพราะนั่ น, นี่ยถ้าเรามาดูตัวเองเนี่ยจะสงสารทุกสิ่งทุกอย่างสงสารตัวเองเนี่ยก่อนที่มันหมกมุ่นคุณคิดที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ปล่อยปะแล้วเลยกันมาสามสิบปีโอ้ยนะ่าสงสารเกือบตายเนาะคิดเราเนี่ยสงสารรูปสงสารนาม น้ำตาล่วงเลยยมน้ำตาล่วงจริงๆแล้วเมื่อสองสารตัวเองก็สงสารทุกเ ส, ส, สิ่งทุกอย่างไม่ฆ่าทำไม่ไม่ฆ่าเบียดเบียดอะไรไม่แต่คิดมันก็ไม่มีคิดแล้วโถธรรมเนี่ยมันเป็นโรกบาทคุ้มของโรกจริงๆอะ แล้วก็ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยขุดคุยออกมาทุกอะไรบ้างในตัวเราเนี่ยมันขุดออกมามันขับออกไปการเอาชนะความทุกข์เล็กๆตน้อยเนี่ยมันน่าภูมิใจเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตัจะลูกพระองค์ยังภูมิใจอยู่ในรอบศีรษโผอยู่เวลานี้ ยังอยู่ในเีมาโพ ร, รอบอยู่ไม่ออกจากต้นเสมาโพเพราะภูมิใจชีวิตเราเนี่ยให้มีสักครั้งน้าภูมิใจตัวเองมีการชนะตนเองได้เนี่ยมันประเสริฐจริงๆชนะทุกข์เอเอาละชีวิตเราเนี่ยสามารถของเองได้ ถ้าคลองเองได้แล้วเน่ไปไหนก็ปลอดภัยไม่กลัวอะไรแต่การที่คลองตัวเดงเนี่ยมันยังไม่พอถ้าเราไม่มาช่วยกันเนี่ยต้องมาตั้งสำรักต้องมาสอนเอาคุณหมอสุนทรีก็เอานัดป้อมมีวิกก็นัดเพื่อนมาจากที่โน่นที่นี่ จะมาถึงนี่วันนี้หกสิบกว่าคนผิดไปช่วยกันการละกวาชัว่วกันทำความดีการทําจิตให้บริสุทธิ์แก่ตัวเราไม่พอต้องช่วยคนอื่นไม่เขาทำควบชัว่วให้เขาทำความดีให้เขาทำจิตบริสุทธิ์นับถึงนับสองนับสาไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าของเราก็ชี้ตรงนี้เราก็พระเจ้าอย่างว่าเอก ไปเราจะไปจระษะพิกเบย์จาริกังโหชนะหิตายะพหูชนะจุขายะโรกาลุกัมไยะไปประกาศพระศาสนาสั่งภาษาบกห้าลูกปเจ้าเขพระอรหันเกิดขึ้นในโลกห้าลูกไปพวกเราเป็นช่นี้ห้าชีวิตเนี่ไไย อย่าไปทางเดียวกันนะเพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่โลกให้โลกเย็นเหมือนจุอย่าไปทางละสองโลกไปทางละรูกเดียวแม้เราก็อย่าไปยังกุลเพลราเสนานิขมนโนกูรัช ค, รคือโดดพอได้สัญญาพระเจ้าพิาพิสารเมื่อจะไม่ออกขรวนจงโมโนดใหม่ๆหม นี่ยยังไม่ไปแร้วว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่สีมาโพธิ์ภูมิใจอ่าการเราชนะตนเองได้เนี่ยประเสริฐ อ, อัตหะเวชิตังเขยโยชนะตนแล้วประเสริฐที่สุดชนะคนอื่นรอยข้างถนนไม่เท่าชนะตนแม่ข้างเดียวชนะทุกที่มันหลงผมันหลงไปเอ้ามาโอ้ชื่นใจ พอมันจะทุกข์มันจะทุกข์เอารู้สึกตัวยกตอนออกมายกตอนออกมายกตอนออกมาอันความทุกข์นี่แน่นอนที่สุดเลยมันขดคุยที่มันไปทุกข์อะไรจะไปไปทุกข์เลยเอาชนะได้อยู่เราอยู่ในฐานะอยู่ในฐานะความหลงนี่แหละ เอาชนะตัวหลงได้ดูคมรู้สึกตัวมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวความหลงเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวปอดภัยที่สุดเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราได้เครื่องมือไป เป็นคู่ชีวิตของเหาคือความรู้สึกตัวเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปทำแล้วก็ชวนคนอื่นบ้างจะรอดแล้วก็เป็นครอบเป็นครัวช่วยกันะของพ่อพูดแล้วพูดเดกช่วยกันไม่ให้ทุกข์เองช่วยกันไม่ให้โกรธช่วยกันไม่ให้หลงเนี่ยเป็นการทั้งบุญต่อกัน อย่าไปรอทำมนต์ต่อเมื่อตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เรานิยมทำบุทธุทิ์หากันเมื่อคนหนึ่ ง, างตายไปแล้วคิดถึงตายไปแล้วจจึงมาคิดถึงกันแล้วก็มาทำมนตมาทุ่มเทยังเงินเสียทองมากหลวงพ่อไม่สนับสนุนขอร่วัหลวงพ่อไปเทศน์ในงาน ทำมนุทย์เนี่ยประโยชน์น้อยแล้วเนี่ยก็ไค่อยไปแล้วมีอันอ้างอ้างอะไรว่า <c oughs> ป่วยเทศไม่ได้ยังดีนะป่วยมากแล้วก็แก่ชราลงมาบ้างไม่บบกเทียยไปไปก็กินเนื้อกินหมูกินควายข้าวกินเล้ากินโมลี ไอโยมนี่มอญหลวงพ่อไปมีหมอำรำชิ้งมาลำกลางวันเวลาพระฉันเพนเนี่ยหมอำรำชิ้งมาลำหมอำรำชิงนีก็หันหน้าไปทางพระฉันเพนอ้เาเปิดเกลียปองให้พระหลวงหลวงพ่อไปเทศเลยอะฉันเพนเสร็จแล้วเอาอะเอาหมอใจมา ไปบอกพ่อใช้ไหไม่บอกจะภาพดวนอะไรแบเพราะได้สัญญากันแล้วคือคนบ้านเนี้ยน้องตนาพ่อเขาเป็นคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เวลาพ่อเขาจะตายเลยเขาสั่งลูกว่าให้นิมนต์หลวงพ่อมาทําบุญประเทศลูกชายเขามานินมนต์หลวงพ่อทมบุญหาพ่อพวกคุณทำบุญ ห, หาพ่อ ย, อยังไง อาตามแมหม่เราคพ่อคา พ, พ่อสั่งถ้าให้นวลหลวงพ่อไปเทศแต่พวกคนทำไหม่เหล้าเิยามีอะไรไหมเมีบ้างเ้าก็ถ้าเมีเหล้าเิยาเม่เลยหลวงพ่อไปไปนะครับครับครับครับเ <c oughs> อารถบาแล้วองเอาไปหลวงพ่อสอนเพนตอนเพนก็อะไรถ้าไม่ฆ่าวัวฆ่าควายพระจะไม่มีฉัน มาบอกที่ไหนะแล้วเอาล่าบัวหล่าควายแดงแดงมานะถวายพระโอ้ยเราทําไงแล้วพ่อก็ถ้าให้ฉันก็ขัวเขาจะเป็นทุกข์ก็มีน้ําน้ายาขนมจีนอะอางเงี้เอาข้าไปจิ้มแล้วน้ขนมจีนน้ําตานนั่ง ก็เพื่อนอิ่มก็อิ่มไปกับเขาอ่าดูสิโยมนั่นหรือทรรมุนเอาลาบแดงๆเอาเนื้อวัวเนื้อวายพอเวลาฉันเป็นอยู่ก็หมอลำชิงกันบ้างก็ไม่แค่เนื้อที่บริเวณบ้างก็จะแพร่มีประล้ำไปทีมีม ร, ร่าหมอลำชิงอยู่ตรงนั้นแล้วมาลำไปแล้วมาปกมันมาหลาย อันน่าใส่หมอจริงเ จ, ะ จ, ะจะ้าเจ้าเขาเปิดกระปงเขาเปิดกระปองอวดพวกฟังนะหงพวกวกวกว่อก็บอกให้โยมเอาตู้ที่เขาจะเอาไปอุทิศอ่ะเป็นตู้ซื้อมาเอามาตั้งมีเล็กน้อยที่โยมเอาไอ้เขา <c oughs> เออหลังหลเขาใชก็เอามาอใช้กัเขียวตรงนี้เลยไม่เทศเลยะนะอย่างั้น่ะ ทำบุญต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วมีประโยชน์ไหมยโยลูกสาวซื่อเสื้อมาให้ทำบุญหาแม่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่นียเคยซื่อเสื้อมาให้ปูที่นอนให้แม่ไหมผ้าปูที่นอนผ้านุ่งผ้าหม่มหมอนสาดไหมดูไห ม, ไหมนํำหอมซื้อมา ระับตัวเองเคยไปพมน้องผอมใส่ที่โดนขอแม่ของพ่อไหมอพอตายไปแล้วอนามอมมะติใต่หน้า อ, าาอเวลานอนอยู่องอยู่ในบ้านไหมไม่มีอ่ะทำบนหากับทำวนให้ทำวนหามันไม่เห็นนะแต่ทำวนให้นั่งอยู่เนี่แม่วองออกิืนขุนอยู่เี้เอาจี ทำบุญให้เลยแม่จกมือบ้ายพูดจาดีๆช่วยเหลืออย่าทะเลาะกันให้แม่เห็นพูดกันัยเลาะระหว่างเพื่อนเพื่อนลูกลูกพี่น้องกันดำรงมรดกุลอย่าทะเลาะวิวาทกันให้พ่อแม่เราเห็นให้พ่อแม่ได้สุขใจคำว่าทำบุญคือให้สบายใจลูกเต้าทำบุญให้แม่สบายใจ หัวเมียทบุญให้กันให้กันสบายใจอย่าทะเลาะกันอย่าให้ความโกรธบางของเดี๋ยวนี่ความโกรธเอามาอ้างกันแล้วหน้าบูดใจกันอายหมาเขาไปหน้าบูดใจกันไงผัวเมียกันไง น, น้าอายหมาจริงๆนะหมามันไม่เคยหน้าบูดนะม่เห็นกันมันก็ อ, อย่างไก่เนี่ยไก่ใ น, นวัดเนี่ย บางทีมันมีผัวมีเมียกันไปด้วยกันไม่เห็นไก่ตัวผู้ตีไก่ตัวเมียเลยไก่ตัวเมียตีไก่ตัวผู้ถ้าเขาเป็นระหว่างเขาผสมพันกันเขาลา ก, กันนะเวลาตัวเมียไข่ตัวผู้ก็แปรอยดูไม่ชอดไม่เท่งกันนกขังเข็มเนี่ยมันมาทํารัง ใส่กระบวยหลงพ่อออกลกูกแต่ก่อนเมีกระบวยตากน้านะเอาสอดไบร์ชายามันก็มาทํารังออกลูกอยู่อะเวลามันรักไข่ตัวผู้ก็ไปหาเหยื่อมาป้อนเวลาอ่ามันเลี้ยงลูกตัวผู้ขย้อนมาป้อนตัวเมียก็ขยันหาเหยื่อมาป้อนถ้างูเขียวมันมา ก็พูดไร่ตีเลยตีงูเขียวปาแต่ปะลอกมาเดี๋ยวนี้มันก็ออกใครอยู่กติหลวงพ่อ น, ะนกขังเห็นเวลากระลอกมาก็มีมีอาหารพวกเราให้อาหารกันแต่ ก, กัารลอกเวลากระลอกบางทีก็ น, นกขังเห็นบินมาตีบินมา แล้วเราก็เว่งหนีไปเขาคุ้มของป้องกันไม่ทอดไม่ทิ้งกันเลี้ยงลูกเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกนะเขาก็รักเขารักกันโอ้เงาอย่าไปเลาะกันหยุดเถะเถอะอย่าไปโกรธไปเครืองกันเป็นบุญบุญเป็นเครื่องคับจุนโลกไม่แต่คนทำดีนี่ปฏิบัติธรรมสร้างได้ชาติด้วยมือของเราด้วยใจของเรา ตำมวลต่อกันมาปฏิบัติทรหน้าทีคบวงจอดชีวิตก็จะดีเสรษฐติ จ, จตก็จะดีเล่าไป่ชิ้นบุีไม่สูบไม่เทีเท่ยวเตะเลยหล่อนไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่ฟุ่มเฟือยเดี๋ยวนี้มันฟุ่มเฟือยมากในโลกทุกวันเนี้เพัาะเรากลับมาดูตัวเอง นะปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้คุ้มอย่าให้มันมีโทษแต่ตัวเองอย่าทำให้เจ้าเป็นทุกอย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกที่อื่นเป็นทุกคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรามานรั่งโกโก้กลับไปบ้านไปทะเละลูกหลานแต่ง้นเรนี้ไม่ใช่อย่าทำให้ใตัวเองให้เป็นทุกอย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกเอาวันนี้ก็สมควรเจเวลา เราก็กราบพระพร้อมกัน